สระนิกัจฉา ฟังรมกันก็การฟังธรเนี่ยก็ได้อานิสงส์ได้อานิสงส์ที่ทำให้เราบางเรื่องบางอย่างเราอาจจะไม่ไม่รู้เราก็ได้รู้บางสิ่งบางอย่าง เรายังสงสัยก็หายสงสัยได้แล้วก็เรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็ได้ฟังด้วยแล้วก็ผู้ผู้ฟังเองก็มีจิตที่ผ่องใสด้วยทำให้กุศลเกิดแม้แต่การฟังสมาธิ การฟังธรรมก็เกิดสมาธิด้วยธรรมาเองก็เคยฟังฟังธรรมที่บรรยายไปก็มานั่งฟังฟังไปฟังมาสงบไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออธรรมะไม่ได้เป็นของใครนะเป็นของกลางๆเพียงแต่เราแค่ฟังธรรมะเท่านั้นเอง ใจของเราก็สงบตามไปด้วยเราจะไปเข้าใจว่านี่เป็นธรรมะ เ, เราเป็นผู้บรรยายเองแล้วก็ฟังฟังไม่ได้ไม่ใช่นะธรรมะไม่ได้เป็นของใครธรรมะเป็นกลางๆเพีวยงแต่ว่าใครฟังแล้วเกิดสติปัญญาที่จะรู้ ทำนั้นได้ก็คนนั้นก็ถือว่าได้อานิสงส์ไปเหมือนบางคนเกิดมาเนี่ยเอาเราพูดเรื่องเริ่รมต้นจากทานบา ร, รมีก่อนบางคนเกิดมายังไม่รู้จักคำว่าทานบา ร, รมีรู้แต่เป็นผู้ขอ แล้วอยากอะไรก็จะหามาให้ได้จนถึงกับสนองตัวเองพอสิ่งไหนสนองตัวเองไม่ได้เราก็จะโกรธหรือบางครั้งถึงกับทำลายหรือบางทีก็ถึงกับพยาบาทหลายคนก็บอกเมื่อสิ่งนั้นเราไม่ได้เราก็ทำลายมันใช่ คนอื่นก็อย่าได้มันไปเสะนี่คนผ่านนัเน่ไม่ใช่บัณฑิตอามาเข้าใจนะว่าถ้าเรานิยามชีวิตที่แท้จริงนะชีวิตคือการเสียสละและคือการให้ถ้าเราหวังว่าจะต้องสนองเราหรือเราเป็นผู้ผู้จับจองหรือเราจะต้องยึดมั่นกับสิ่งนั้น ถ้าสิ่งนั้นจะต้องเป็นของเราตลอดไปเนี่ย่อมาว่าเราเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดขนาดพ่อแม่เขาเลี้ยงมาโตแล้วเด็กก็ต้องไปโตที่อื่นไปเจริญที่อื่นบางคนมาได้สามีภรรยากันเรามารู้ตอนอายุเท่าไหร่2ี่สิบสสิบกันแล้วพอแต่งงานปุ๊บเราบอกของเราเลย พอได้สามมีเราก็บอกของเราแล้วทีนี้คุณอย่าไปยุ่งกับใครอีกนะไม่งั้นคุณต้องตายลูกเดียวเงี้ยมันมากไปไหมลองลองคิดดูก่อนว่าเรากำลังมองทุกอย่างว่ามันต้องเที่ยงตามมาบอกว่าคนเรามันมีบิบบากเบ็ดกรรมวาสนาบางคนก็เป็นคู่กรรมกันมาบางคนก็เป็นคู่บุญกันมา โยมเข้าใจแค่ไหนเรื่องคำว่าคู่กรรมกับคู่บุญแต่มาเคยเจอโยมที่เป็นคู่บุญกันมามองแล้วมันแม่มีความสุขให้เกียรติซึ่งกันและกันเดินคอยห่วงใยซึ่งกันและกันสุขภาพดูแลสุขทุกข์ดูแลเป็นห่วงเป็นใยกันตลอดเลย เงินทองนี้ล้วงกันได้บางคนในผมเมียไม่เกี่ยวกับฉันคนละกระเป๋าไปห่างๆเลยยืมแล้วยังไม่ได้จ่ายนะเธอต้องดูว่ามันเป็นคู่บุญคู่เวรคู่กรรมหรือเปล่าบางคนได้มาแล้วโอ้โหม้อเข้ายังไม่ทันดำก็บอกเอากันแล้วจะจ่าหายไปแล้วมึงกูแหละหนักเข้านี้โอ้โหนักกว่านนะั้นอีกอย่าพูดเลย สุดท้ายถึงกับลงไม้ลงมือลงศอกเอาละต้องให้น้ำกันและ้ะให้ให้น้ำไม่พอต้องให้เลือด <c oughs> ออบางคนก็ทนอยู่กันได้เนาะไม่ตายจากกันก็ไม่มีเลิกกันทะเลาะ ก, กันทุกวันไม่เลิกกันถึงบอกเออชีวิตมนัน สุดแต่เวรกรรมใช่ว่าเราลิขิตชีวิตได้ยมเข้าใจผิดนาอย่าไปเข้าใจว่าเราลิขิตชีวิตได้บางคนใหญ่ค้ำดินได้ก็ไม่กี่ปีหรอกสุดท้ายคุณก็ค้ำฟ้าไม่ได้ได้ค้ำดินอยู่สักระยะหนึ่งห้าปีสิบปีสิบกว่าปียี่สบปีก็แล้วแต่แต่พอทีสุดมันก็ เปลี่ยนไปอีกถึงบอกเออพอเราเริ่มเข้าใจทานบารมีเป็นผู้ให้โนะยมลองนึกถึงภาพชูชกขอทานขอลูกพระเวสสันดรเนนะี่ยไปเป็นคนใช้ชูชกเป็นขอทานนะขอลูก ในตระกูลของขัดติยะไปเป็นผู้รับใช้ขอทานพระเวัาานดอนยังบำเพ็ญทานตรงนั้นให้ฉุดกระชากลากต่อหน้าต่อตาด้วยทั้วเด็กก็ไม่เต็มใจจะไปก็ฉุดกระชากไปแต่ที่สุด อะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราถึงได้มาก็อยู่ได้ไม่นานยมจำธรรมะข้อ น, นี้ด้วยนะหลายคนไม่เข้าใจคำนี้บางคนถึงได้มาคุณก็ไม่ได้ใช้สิ่งนี้เพราะมันไม่ใช่ของของเราต่อให้เงินทองทรัพย์สินสมบัติได้มามากมายแค่ไหนแค่เก็บไว้ให้เมื่อถึงเวลาเจ้าของเขาก็จะมาเอา เห็นไหมมรดกตกทอดที่เกว่าคนมีบุญเขาก็มารับช่วงต่อซึ่งเขาไม่ต้องมาทำแบบเราเลยแต่ว่าเอออะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราอะไรที่ไม่ใช่สุดท้ายมันก็มีเหตุมันมีเหตุให้จำจากจำพลากหรือสูญเสียหรือเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่ง จตมาจะบอกพวกเรายังไม่รู้คำว่าชะตาชีวิตทั้งหมดเราคิดว่าชีวิตต้องเป็นแบบนี้ใช่ให้ที่คิดใช่แต่ที่มันเกิดมันไม่ใช่ที่บอกเออมันมีชะตาของแต่ละคน แต่นั้นการบําเพ็ญทานบา ร, รมีเรเริ่มจากผู้ให้ให้ตั้งแต่วัตถุสิ่งของยากกว่านั้นให้อภัยทานยากนะการให้อภัยทานเนี่ยบอกทางง่ายคนจะไม่พยาบาทกันหรอกโย บอกบางคนบอกแก้แหวนเงินทองเอาไปฉันไม่เสียดายแต่เรื่องนี้ฉันให้ไม่ได้คนเรามันก็มีจุดบอดนะของแต่ละคนเออมนุษย์ตกตกหล่มตัวเองหรือตกหลุมตัวเองต่อให้เป็นกุญชอนเชือกเส้นใหญ่ขนาดไหนก็ตาม เมื่อตกหล่มลงไปแล้วยากที่จะขึ้นด้วยตนเองได้ออในที่สุดกรรมวิบากมนุษย์มันเหมือนฉุดให้เราจมดิ่งลึกลงไปสู่อาเวจีหรือไปสู่ความทุกข์น้อยทุกข์ใหญ่สำคัญนะฉะนั้น ทานตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่แรกจะมาฟังก็เฉยๆแต่พอนานๆไปเราไม่มีสิ่งนี้ชีวิตไม่มีความสุขให้ไม่เป็นอภัยไม่ได้แตมาถามว่าใครมีความสุขบ้างให้รวยก่อนนี้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วยังไงในเมื่อใจคุณ อภัยไม่ได้สิ่งที่มีคุณก็ให้ไม่เป็นสุดท้ายคุณจะทุกข์กับสิ่งที่มีและทุกข์กับสิ่งที่จากไปตมาบอกโง่ที่สุดในโลกเลยไม่ใช่โง่นิดเดียวโง่มากเลยไม่ใช่โง่ธรรมดา โงดสุดๆเลยมีก็ทุกจากไปแล้วก็ทุกตมาบอกคุณต้องศึกษาคำว่าให้ทั้งวัตถุแล้วก็จิตใจพระเวสสันดรถ้าไม่ผ่านทานบารมีตรัสรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะสิ่งนี้จะเป็นกำแพง ฝังกั้นอยู่เป็นเหวลึกที่พระองค์ไม่สามารถทำสะพานข้ามเหวนี้ไปได้ในที่สุดเหวที่ลึกต้องใช้อะไรยมรู้ไหมใช้คำว่าถมให้เต็มการให้สละ จนถึงคำว่าละสละทรัพย์ละอุปทานใจที่มีทั้งหมดถึงบอกเออยากกระตรงนี้แหละทานบารมีให้วัตถุไม่ยากยากกว่าการให้วัตถุให้อภัยยากกว่าการให้อภัยคือละกิเลสตัณหาทํามาบอกโอ้โหทำไมมัน สูงชันขึ้นไปเรื่อยเลยเราเนือว่าเอาละเราสลาดทรัพย์สมบัติภายนอกบางคนออกบวชนะสละแล้วนะบ้านเรือนไม่สนแล้วทรัพย์สินเริงคานโอนไว้หมดเลยเอาเอาไปชื่อใครแบงแบงแบงแบงล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วนะจะให้มันแล้วคิดเลยว่าบรรลุแล้ว อ๋บวชเลยละโกนหัวเรียบร้อยบ้านก็ไม่มีสมบัติให้มนแล้วนั่งเหลือตัวปเปล่าๆอย่างนะแต่คิดว่าใจนั้นจะว่างไหมยงังโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังรักชอบโกรธหลงยังเป็นอารมณ์อยู่ภายในจิตคุณยังสลัดไม่หมดนั่นมันวัตถุ มันเป็นเรื่องของเปลือกนอกถึงบอกต้องมาทำกรรมฐานนั่งสมาธิดูจิตนั่งทางในดูใจอะไรที่ยังละไม่ได้ทำไมาหานะถ้ามาถามอยู่โดนเติบด้วยถามอยู่นา น, นอะไรที่เราละไม่ได้ อะไรที่เราสละไม่ได้อะไรที่เราอาภัยไม่ได้นั่งทางในดูใจเอาสติกำหนดจิตตรงนี้อาตมาจึงเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่ธรรมใช้ธรรมชำระจิตจะชำระได้แค่ไหนอาตมาตอบแทนใครไม่ได้เลย มันของใครของคนนั้นโยมเหมือนบรรลุแทนกันก็ไม่ได้ทำความดีแทนกันก็ไม่ได้ทำความชั่วแทนกันก็ไม่ได้แต่กรรมมันมีสิ่งก็ว่าผูกพันได้นั้นก็ค่อยว่าอีกประเด็นหนึ่งทายาิเผ่าพันแต่สิ่งนั้นเคยร่วมกันมาก่อนจึงส่งผลมาให้คนนี้ได้รับความเดือดร้อนด้วยแต่มันต้องมีเหตุก่อนนะ แต่หลักจริงๆก็ของใครก็คือของคนนั้นที่พุทธเจ้าบอกตนเป็นที่พึ่งของตนกว่าจะเข้าใจจริงๆก็คือกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็เป็นของคนนั้นและเป็นที่พึ่งของคนนั้นจะเป็นสมบัติหรือเป็นวิบัติก็อยู่ที่คนคนนั้นพอเริ่มกำหนดดูก็คือ ตมามีมีลูกศิษย์เลยล่ะก่อนจะบวชก็ติดตามอตมานะหลายปีศรัทธาเต็มที่แล้วอยากปรีกวิเวกแล้วนะใจมุ่งอยู่ป่าอยู่เขาแล้วมีเงินอยู่หลายล้านเหมือนกันมาปรึกษาตมาว่าทำไงดี เขาบอกว่าเขาไม่อยากยุ่งทิงเหล่านี้เขาสละหมดเลยดีไหมตมาบอกคิดให้ดีมันก็ดีแต่คิดอีกทีมีไว้ก็ไม่เสียหายบอกฟังให้ดีคำว่ามีเงินไม่ใช่คือกิเลสถ้าเราเข้าใจว่าเงินนี้เพื่อทำประโยชน์อย่างเราบวชปุ๊บ เรามีศรัทธาเราอยากจะสร้างกุศลแล้วก็เอาเงินตรงนี้แหละาทาเป็นเสนาส น, นะที่บําเพ็ญภาวนาก็ได้กิเลสมันไม่ได้เกิดตรงนี้ว่าคุณบวชคุณต้องเป็นเลขศูนย์นะเข้าใจผิดแล้วนะพอจะมาพวกนี้โยมเข้าใจบอกผมเข้าใจแล้ว เมื่อก่อนผมเข้าใจว่าการมีเงินทองมันเป็นกิเลสเพื่อตัดปัญหาทุกอย่างบอกไม่ใช่มันเหมือนมีดมีดเล่มหนึ่งคุณบอกว่ามีดนี้คือเอาไว้ฆ่าหรือไว้หั่นผักหรือไว้ปอกผลไม้มันอยู่ที่คนใช้มีดนั้นเป็นกลางๆเอาไปทําเกิดประโยชน์มันก็คือประโยชน์เหมือนกับเงิน ถ้าเราไปทําให้เกิดกิเลสก็เป็นบัวิวารจ้างคนอื่นฆ่ามันก็ผิดกฎหมายถ้าเราไปสร้างคุศลมันก็เป็นสิ่งงดงามถูกบอกเออเข้าใจยังบอกเข้าใจฉะนั้นคําว่าบวชเพื่อการออกจากชีวิตหนึ่งมาสู่อีกชีวิตหนึ่งคือชีวิตของคฤรืหัดการครองเรือนออกจากเรือนไม่เกี่ยวกับ เรือนตรงนี้เราไม่ยุ่งกันเรื่องการไม่ยุ่งเป็นเรื่องเกียรติไม่ยุ่งเป็นเรื่องการกินมากๆทั้งหมดเครื่องนุม่มผมที่อยู่อาศัยอะไรทุกอย่างเราไม่ให้ความสําคัญตรงนั้นเราอยู่คำว่าปัจใจสี่บอกเข้าใจอย่างบอกเข้าใจถึงใจอยู่ป่าก็หนีใจตนไม่ได้เมื่อวกวนอยู่ปา่านั้นก็วุ่นวายหนอ เข้าใจแล้วเอดเอดีบวชก็โมทนาเสร็จแล้วพอบวชเสร็จจะมาถามบรรลุแล้วยังหันหน้ามายิ้มให้แตมาบอกบรรลุอะไรยังผมเพิ่งบวชนี่บรรลุยังไงบอกอ้าวทีแรกจะฉลาหมดเลยนึกว่าบรรลุยังใช่ไหมเออดูเถอะสติจิตสามาธิ ปัญญาอยู่ที่ไหนไปหามาก่อนรู้จากสติมารู้แล้วเขาไม่เล่าให้ตมาฟังเข้าใจลึกตื้น้นาบางกว้างแคบขนาดไหนสติคำมันสั้นแต่มันกินกว้างกว้างจนเราอย่างไม่ถึงด้วยซ้าไปมีสติ พระสติมหาสติมันมีพละสติมหาสติแล้วก็มีสติจึงบอกสติตรงนี้เราจเจริญอยู่ด้วยอะไรก็แล้วแต่เราเระลึกอยู่ตรงนั้นตมาบอกเออตอนนี้เป็นไงสติจิตสมาธิ ปัญญาถ้าสมาธิเกิดปัญญาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาถ้าสมาธิไม่มีปัญญาเรียกว่าเป็นสมถะถ้าพูดกันให้ฟังง่ายๆที่เขาบอกวิปัสสนาก็คือสมาธิที่เกิดปัญญาถ้าสมาธิไม่เกิดปัญญาเขาเรียกได้แค่สมถะคือเพียงความสงบไว้เหมือนงูนอนหลับ แต่พิษนั้นยังไม่หมดนะเพียงแต่ว่าทุกอย่างนิ่งสงบถูกสะกดอยู่แต่สิ่งนั้นขันทัสันดานยังไม่ได้ทำลายมานันนะอย่างเพียงแต่ว่าทุกอย่างอํานาจของฌานนี้คมหมดอากุศลทั้งหลาย จเจริญไม่ได้โดนข่มอยู่ด้วยอำนาจของฌานแต่เมื่อไรฌานเสื่อมอากูศลก็เกิดต่ออีกจริงบอกว่าส ม, มถะแต่ถ้าสมาธิที่เกิดปัญญาตรงนั้นเรียกว่าวิปัสสนาการได้กำหนดรู้พิจารณาเห็นทั้งหมดจะมาบอกเออสติรู้จิต เข้าใจสภาวะสมาธิเมื่อก่อนจะมาก็เข้าใจสมาธิก็คือสงบพอสงบแล้วเราสงบพอจริงๆขึ้นมาที่สงบไม่ใช่เราที่สงบนั้นเป็นสภาวะคณะจิตที่เราบำเพ็ญอยู่ก็เรียกทรงอยู่ด้วยอานาจของฌานสมาธิแล้วฌานนี้ก็ไม่ได้เที่ยง เกิดปรากฏแล้วก็ดับมองให้ชัดขนาดระดับพระปัจเจกก็ดีพระอระหันต์เข้าสมาบัติเกวันเจ็ดวันส5บห้าวันทำไมถอนออกมาก็ทุกอย่างมันไม่ได้เที่ยงส5บห้าวันมันก็คลายออกมาฌานตรงนั้นพอถึงจุดอิ่มตัวก็คลายออกมามันเป็นอย่างนี้หมด ถ้าบอเออชัดชัดแล้วเข้าใจมั้ยมันเป็นสภาวะที่เกิดความสงบด้วยการเจริญสติอบรมจิตจนถึงคำว่าพิจารณาธรรม อาตมาเนี่ยเป็นคนเดินตะโกนหาธรรมะมาแล้วแค่ว่าบ้าก็บ้าแค่ว่าดีก็ดีไม่บ้าไม่ดีก็สุดแล้วแต่เราเริ่มจากศูนย์แล้วก็นับหนึ่งสองสามไม่ได้มีครูอาจารย์ผู้มีความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อาตมามันเหมือนวัวชนมาพยศขวด ต, ตะพืธ แต่สุดท้ายแตมาเคยเปรียบให้โยมฟังเมื่อมาพยศมันวิ่งจนถึงที่สุดมันไม่ให้ใครนั่งหลังเมื่อไม่มีใครนั่งได้มันก็ต้องหยุดพยศมันเหนื่อยเองตัวมันแล้มันก็เดินไปสุดหน้าผาถ้ามันไม่หยุดมันก็ตกเหวชีวิตมันมีแค่นี้ เมื่อเราหยุดตัวเองไม่ได้ก็จะมีคนอื่นมาหยุดเราเมื่อคนอื่นหยุดไม่ได้ความตายจะมาหยุดเราสามสถานง่ายๆแต่มาบอกเออพยศแล้วได้อะไรเด็ดดิ้นไปแล้วได้อะไรไม่อะไรเป็นอะไรสะใจตรงไหนที่สุดมันว่างเปล่าสาระไม่มีเลย จะให้มานอบน้อมเราก็ไม่เคยฝึกเะอีกมาลายาดอืดอาดยุดยากเรียกว่ามาลรยาตไม่ชอบเลยกระโดกกระเดกเนี่ยเออรู้สึกมันเป็นสไตล์ของเรานั่งพับเพียบเรียบร้อยมันเหมือนต้องถอนหายใจแรงแรงมันฝืนยังไงไม่รู้ก็เลยเปรียบเหมือนมาพยศ และเป็นวัวชนไปเรื่อยรองผิดลองถูกเจ็บไปเรื่อยเกือบบ้าเกือบบอก็มีแต่ในที่สุดต่อมาเคยบอกโยมอะไรก็ตามทําลายเราไม่ได้ก็คือความจริงใจที่ไม่มีสิ่งเครือบแฝงอยู่ในใจมันน้องๆความบริสุทธิ์แต่ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ความจริงใจ มันเป็นประการสําคัญที่ป้องกันมารได้พอสมควรเพราะถึงที่สุดจิตตรงนี้มันก็ยังต้องการความจริงเมื่อใครตอบให้เราไม่ได้เราก็ต้องหาคำตอบให้ได้ได้จากในจากชีวิตและจิตตัวเองเท่านั้นนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตสูงสุดที่เรามาเจอมานอกนี้ ธรรมดาค่อยพระก็ยังธรรมดาอยู่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตชีวิตกับธรรมะเนี่ยสุดยอดเลยบอกเราได้มากกว่าที่เราเรียนรู้มาทั้งใบโลกที่เราเกิดมาท่มนาจจึงบอกว่า เราไม่เคยรู้สึกว่าเสียเวลาอะไรเลยกับการบำเพ็ญเรารู้สึกว่าเวลาของเราเราเรามีไม่พอด้วยซ้าที่จะต้องศึกษาปฏิบัติและก็บำเพ็ญจนกว่ากิจนี้สำเร็จประโยชน์อันสูงสุดแต่ทุกคนต้องเปิดใจก่อนอย่าคัดแคบคนคัดแคบมองแต่ตัวเอง เมื่อตัวเองไม่ได้ก็อย่างที่บอกก็คิดทําลายบ้างโกรธบ้างโมบ้างบอกนิยามใหม่ชีวิตคือการให้ความรักคือการเสียสละความรักคือต้องการให้คนอื่นมีความสุขโอ้โล่กว้างกว่าเดิมเยอะเลยเยอะมากเยอะมากผิดหวังสมหวังมันเป็นเรื่องของชะตาชีวิต อย่าไปเครียดแค้นอะไรกับชีวิตอีกพอแล้วเขาให้รู้ชีวิตคุณอย่าไปเครียดแค้นอะไรกับชีวิตจิตวิญญาณมันจะป่วยนะเครียดแค้นมากๆมันจะป่วยมันจะทุกข์และสุดท้ายยิ้มไม่เป็นยิ้มไม่เป็นความสุขไม่มีถึงบอกเออ ยังไม่ตายจะตกนรกกันใ็จแล้วยังไม่ตายใจก็โดนไฟเผาใชแล้วถูกกิเลสเผาใจเหมือนไฟเหลียนอนอ่อนเพลียยังไม่รู้สำนึกตนบอกเออเอาเข้าไปนอนไม่หลับนั่นนะปกิเลสมันเผาใจกระวนกระวาย ทำไมต้องให้คนมาสนองเราหรือทำไมเราต้องไปสนองคนอื่นสติเราไปไหนปัญญาเราไปไหนสมาธิเราไปไหนกุศลเราไม่มีเลยเหมือนตะเกียงไม่มีน้ำมันสุดท้ายมันก็จะไม่มอดไส้มันเองแต่ามาบอกชีวิตคนคนหนึ่งคุณไม่มีกุศลหล่อเลี้ยง เหมือนตะเกียงไม่มีน้ำมันที่สุดมันจะดับวุบในแสงสว่างแล้วไม่มีโอกาสจะติดอีกเลยนะเพราะไม่ไสไปแล้วเอ อ, เ อ, อหลายชีวิตมจ ม, มูกตมาเราต้องนิยามใหม่แล้วโย่เปิดโลกให้กว้าง อาภัยได้อาภัยให้ได้ให้เห็นไหมสละได้สละธรรมาบอกเออเพอบวชเสร็จปุ๊บถามลูกศิษย์ ต, ตอเป็นไงปฏิบัติตอนนี้ ม, มันก็ดีดีแบบไหนอมอมยิบดีแบบไหนที่บอกนี้มันก็สงบดีแน่ใจนะที่พูด มันดีกี่วันและอีกกี่วันไม่ดีบอกบอกเออคุณสละภัยนอกใช่ว่าเรื่องจะจบจิตใจเรามันหมักหมมอะไรมาเยอะหมกมุ่นอะไรมามากรู้ไหมในสามเดือนนี้แค่ใจสงบยังไม่ได้เลย บอกทําไมมันต้องมีคำว่าสะสางไม่ใช่ผีสางนะต้องสะสางก่อนกว่าจะคำว่าสงบนะมันต้องเจอสองสะก่อนสะสางแล้วก็สงบแล้วก็มาสว่างแล้วก็มาคำว่าสุขตัวสอนก็ค่อยตามมาสว่างสงบแล้วก็มาสว่างแล้วก็มีคำว่าสุข สุขครั้งนี้มันไม่ใช่สุขอย่างที่พวกเราไปดิดดิ้นกันมาหรือไปแย่งชิงหรือได้วัตถุมาแล้วเราบอกเออไม่ใช่ไม่ต้องฉลองนอกกายมันฉลองอยู่ในใจแล้วมีปิติเป็นตัวฉลองความสุขมีความอิ่มเ อ, อบิบเบิกบานใจเนะี่ยเป็นรางวัลอยู่แล้วบอกไม่ต้องมีใครให้เลย ต่อจากนี้ไม่ต้องไปขอความสุขไม่ต้องเริ่มปฏิบัติเสร็จสติจิตบางทีก็ได้สงบชั่วครู่ชั่วยามเรียกคันนิกะใหม่ๆจะได้แง่แว บ, แ ว, บ, แ ว, บแวบนินจาหายไปแล้วเข้าความมืดต่อเพิบเป็นเทพได้เดียวๆมาละมานมาแล้วแปบเข้า มันมีควันดำกับควันขาวเดียวๆรู้กุศลเกิดแพรบอาคุศลมาแล้วมันเหมือนดินจาดำดินจาขาวนะโย ม, มบอกคือในที่สุดสติเราต้องเจริญอยู่ด้วยกุศลอาคุศลต้องค่อยๆจางจางจงจางจงจา ง, จา ง, จางแล้วก็หายไป ถึงบอกเออสันละวันนี้อาภัยได้หรือยังถ้าไม่ได้เราก็เหมือนโกรธตัวเองรู้ไหมก่อนจะโกรธใครเนี่ยเราโกรธตัวเองก่อนแต่มาบอกเออไม่ขีดก่อนที่มันจะเผาอะไรมันเผาก้านมันก่อนบอกเออกุญแจสัใจใครก็ตามแต่ว่าตัวมันเองถูกเผาก่อนเข้าใจแล้วแต่มาบอกรู้แล้ว ก่อนที่เราจะโกรธใครใจเราก็โกรธตัวเองก่อนก่อนที่เราจะทำรายใครเราก็ทำร้ายตัวเองก่อนใช่แล้วอย่างน้อยก็คือทำลายกุศลหรือทำร้ายกุศลไปแล้วมันเป็นความผิดผิดผิดตรงที่คุณไม่ให้อภัยใจของคุณจึงไม่ได้อภัยเหมือนกัน ลึกซึิงจริงๆเขาบอกว่าถ้าเป็นนักวางแผนอย่างแม่ทัพอีกฝ่ายเขาวางแผนขุนพลเขาวางแผนวิธีสู้รบเขาบอกว่าต้องเข้าใจกลยุทธ์ของผู้วางแผนอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจึงจะไม่หลงกลของข้าศึกโอ้โหแสดงว่าเราต้องเข้าใจถึงแม่ทัพ ในผลที่เขาวางแผนเอาไว้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่วิ่งมั่วไปไม่ใช่ก่อนจะลงสนามก็ต้องเข้าใจคู่ต่อสู้แล้วต้องเข้าใจถึงผู้วางแผนด้วยเขาถึงประเมินไงว่าศึกครั้งนี้ใครเป็นแม่ทัพแน่ใช่มผมบอกโอ้โห แม่ทัพคนนี้คนนี้เขาประเมินได้เลยคนนี้ใจร้อดย่อ ย, ยู่หน่อยเดี๋ยวทนไม่ได้รับรองได้ตกหลุมพรางแน่นอน <_ d ata> เก่งภ <_ d ata> ูมิศาสตร์การสู้รบกันเนี่ยหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งการชนะมีหลายวิธีหนึ่งสวรรค์เข้าข้างสอง ภูมิศาสตร์เข้าข้างเห็นไหมสหวรรค์ภูมิศาสตร์และก็ฤดูการบรรยากาศช่วยถ้าหนาวจัดขาสึกแพ้มกันนะไม่เป็นใจอยู่แล้วลมหนาวมากก็ไม่ไหวหิมะตก ไม่ไหวเหมือนกันดู อ, อเออสวรรค์ภูมิศาสตร์บรรยากาศแล้วก็มาลงที่สติปัญญาบอกองค์ประกอบเยอะมากพูดไปแล้วเอามาสรุปตรงนี้ก่อนว่าเราละวัตถุภายนอกเสร็จนั่นเป็นเพียงก้าแรกเอง จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแห่งการแข่งแย่งเราไม่ไปแย่งกับเขาตรงนั้นเมื่อสะละภายนอกเสร็จภายในที่เรามีอยู่รักชอบเกลียดชังเข้าใจมันแค่ไหนก่อนเอาสติกาหนดรักแบบไหนเกลียดยังไงชอบอะไรชังยังไงมันทำความเข้าใจมาเลย จนใช้สติให้เกิดเป็นธรรมะถ้าสติยังไม่เกิดเป็นธรรมะแค่สติระลึกได้แต่ามาบอกใครก็พูดเป็นก็ไม่เห็นต่างอะไรกวาดขยะก็มีสติยิงปืนยังมีสติเลยแต่มันสติอะไรต้องถามก่อนสติแยกแยะผิดถูกดีชั่วบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์แค่ไหนมันต้องรู้ก่อน มันสติอะไรสติในการภาวนาปฏิบัติสติอะไรต้องดูก่อนอะไรที่เป็นฝ่ายรำบางครั้งเรียกว่าเป็นมิจฉาสติอย่างมีเลยมิจฉาสมาธิก็มีใช้ผิดทางเป็นมิจฉาใช้ถูกทางเป็นสัมมาเหมือนชีดเราเนี่ยจะริลรื้อเสื่อม ไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายร่างกายมันแค่หุ่นตัวหนึ่งโยมบอกยกมือข้ามันก็บอกข้าทิ้งดาบมันบอกทิ้งดาบนั่งสมาธิมันก็บอกนั่งสมาธิแม่ทัพมันไม่ใช่ร่างกายแม่ทัพมันคือผู้บัญชาการมันก็คือทั้งหมดอยู่ที่หัวใจตรงนี้แต่ว่าเออนั่งดูจิตสติจิตสมาธิปัญญา ตอนหลังก็สติจิตธรรมะกับชีวิตสั้นไหมสติจิตธรรมะกับชีวิตเรามีสติและลึกรู้จิตเรามีธรรมะอยู่กับชีวิตคุณจะใช้จิตนี่ทำอะไรคิดและลึกให้ดีเอาสติบาปบุญคุณโทษคุณละอายหรื อ, อยังคำว่าบาปไม่พูดกฎหมาย กฎหมายบางคนเลี่ยงได้อำนาจมีเลี่ยงได้แต่กฎกรรมคุณเลี่ยงมันไม่ได้เลี่ยงไม่ได้วันนี้ถามว่าความสํานึกมโนธรรมฮิริโอตปะมันเกิดหรือย่างก่อนคนจะขึ้นสวรรค์ต้องผ่านเทวธรรมก่อนถ้าใครไม่มีเทวธรรมไม่ได้ ฮิริโอตระเป็นคุณที่จะนำไปสู่สุคติตัตมาบอกเออนั่งดูนั่งดูจิตมองเห็นชีวิตนั่งดูชีวิตมองเห็นธรรมะนั่งมองธรรมะเกิดสติปัญญา สิ่งนี้จะนำพาเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่โลภรดลงไม่ใช่ความรักความชังธรรมจะนำพาเราไปไปสู่ที่ชอบที่ชอบไม่ได้ตายนะครับไปสู่สุคติที่ชอบที่ชอบ ที่ไม่ชอบจะไม่ไปมีชีวิตอยู่ก็บอกโชคดีโชคดีไปดีมาดีนะพอตายวันเดียวแปบ๊บเขาบอกไปที่ชอบที่ชอบคำเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแล้วนะไม่บอกโชคดีบอกไปที่ชอบที่ชอบอะไรที่ชอบของโยมล่ะนั่นเขาหมายถึงไปสุขติ ไม่ไปสู่ทุกขติไม่ต้องไปลำบากลำบนไม่ต้องไปถูกทรมานไปในที่ดีๆที่เจริญนั่นเองจะมาบอกเออวันนี้อะไรที่ละไม่ได้วันนี้อะไรที่สละไม่ได้วันนี้อะไรที่อโหสิไม่ได้ นั่งดูจิตใช้สติกาหนดจิตจะเกิดธรรมะหรือไม่เกิดก็ดูธรรมะกับชีวิตเรามันจะเปลี่ยนเราได้แค่ไหนต้องกาหนดรู้ว่าแต่มาบอกเออในที่สุดเราก็รู้ว่าอะไรที่ยังละไม่ได้อะไรที่ละได้ อะไรที่ยอมไม่ได้อะไรที่ยอมได้เหตุผลอะไรที่ยอมไม่ได้ก็ไล่มันไปให้ถึงที่สุดอะไรที่ละไม่ได้ตามไปถึงที่สุดแล้วสรุปว่าถ้าเราไม่ละผลรับคืออะไรคืออะไรผลได้ผลเสียคืออะไรคุ้มหรือไม่คุ้ม ยาวสะใจไม่เอย่ายาวความโกรธยาว อ, อารมณ์เอาเหตุผลเอาสติปัญญาเอาศีลสมาธิอย่าเอานิสัยของตัวเรามาทำลายชีวิตมนุษย์ยังพร่องอยู่ยมเชื่อไหมนะไม่งั้นก็ไม่เรียกผุุ้ชนผู้ยังหนาผู้คัดแคบ แทนพวกเราเริ่มจากคำว่าให้อาโหสิได้ไหมวันนี้เรื่องอะไรจนถึงคำว่าคุณละสิ่งที่ชอบและสิ่งที่เกลียดได้ไหมคำว่าละไม่ใช่ว่าไม่เจอไม่มีไม่เป็นอย่างเรากินอาหารถามว่ามาชอบรสอาหารไหมก็มีบ้างคนไม่ใช่ไม้ เผ็ดหวานมันเค็มเปรี้ยวรู้อะไรชอบไม่ชอบอร่อยไม่อร่อยแต่ว่ากินได้ทั้งนั้นชอบไม่ชอบรู้เสร็จก็าวางมันเหมือนสัมผัสลิ้นผ่านลงลําคอลงสู่กระเพาะไปกองอยู่ที่เดียวอายะเต็มอยู่เหมือนกันมันจะไปสนอะไรเผ็ดหวานมันเค็มพอกลืนผ่านลําคอแล้วจบไม่ตรงนั้นโถเราไปติดอยู่แค่ตี๊ดเดียว ความสุขเท่าปลายเข็มความทุกข์เท่าด้ามเข็มเนี่ยยมไปติดอยู่ปลายเข็มแล้วก็ยอมทุกข์ทั้งด้ามเข็มแต่มามบอกไม่คุม้มไม่คุม้มพระพุทธเจ้าสละสุขปลายเข็มไม่เอาตรงนั้นและก็ไม่เอาทุกข์ในด้ามเข็มนั้นด้วยไม่เอาเลย จึงบอกพระองค์เข้าใจในความเกิดและยุติการทำลายทั้งหมดทุกรูปแบบรักก็ดีชอบก็ดีเกลียดก็ดีชังก็ดีแค้นก็ดีทุกอย่างสิ่งนี้ดับหมแล้วพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างว่าเราหุ่นบุตรแห่งเรา เรามีความรักและเมตตาเมื่อเทียบกับผู้ที่ทำรายเราเบียดเบียนเราให้ร้ายเราเทวทัตเราก็รักเหมือนลูกและเมตตาเหมือนราหุดของเราอาตมาเคยบอกว่าคำนี้เราพูดไม่ได้จิตเราไม่ถึงคำนี้คนคิดค่าเราระบอกรักเหมือนลูก จะมาฝืนใจพูดไม่ได้อย่างรีบอกเออมึงไปกูไปกูไม่ยุ่งกับมึงพอละโหสิอย่ามีเวรมีกรรมจะมาทำได้แค่นี้นะแต่ถ้าบอกว่ารักเหมือนลูกพูดไม่ได้โดยเฉพาะไม่เคยมีลูกด้วยกันรอดไปตรงนี้เราจิตไม่ถึงตรงนั้นจริงๆยมูมระวาง คนที่พยายามทําลายเราทั้งชีวิตมาไม่รู้กี่ภพชาติเราบอกเราเมตตาเหมือนลูกหลานเรานั่นพระพุทธเจ้านะ่ะแต่อย่างเราเราตามาบอกแค่แล้วเราไม่ถือโทษโกรธโหสีทางใครทางบันธรมมาบอกแค่นี้ก็สุดยอดแล้วแค่นี้ก็เก่งแล้วเก่งเกินคนแ ล, ะละ้วล่ะ เก่งเกินคนธรรมดาแล้วบอกบอกเออชะตาชีวิตมนุษย์เมื่อเจอสิ่งเลวร้ายแล้วแล้วเรายังเลวร้ายกับสิ่งที่มีอีกชีวิตจะเลวร้ายไปอีกเท่าไหร่ยมลงนึกตรงนี้ต่อมันจะสิ้นสุดยังไงจะมาบอกเหลือเชื่อนะ พอมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นจิตใจเราก็ยิ่งเลวร้ายไปอีกมันเท่ากับเพิ่มนะเรากำลังราดน้ำมันใส่กองไฟและเราเข้าใจว่ามันดับไฟนะหาเปลี่ยนเช่นนั้นไม่มันเพิ่มไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย เรารู้ยวมมันคือทำลายแล้วคือทำลายสุดท้ายก็ไม่ได้ความเจริญอะไรเลยและที่สุดบาปจะตกมาสู่เราซึ่งเราไม่รู้ว่าอดีตเราทําอะไรมาแล้วเราผิดอะไรมาแล้วมาผิดซ้าผิดซากผิดซ้อนอีกเราผิดกับคนอื่นทำไมเราดูแบบปกติ คนอื่นผิดกับเราแต่มันดูเป็นสิ่งชั่วร้ายโยมธรรมาถามหน่อยเราใช้อะไรคิดความเป็นธรรมหรืออารมณ์ของเราหรือว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวธรรมาบอกอาธรรมาพูดมาหลายปีแล้วนะนะบอกเราไม่กล้าตัดสินชีวิตใครอีกแล้วคนดา่าเราคนนี้สมควรเจ็บคนนี้ทำเราสมควรตายธรรมาบอกธรรมาไม่ใช่ผู้วิพ า, ากษาใคร ขอยยมรู้เรื่องกฎแห่งกรรมปฏิบัติไปอีกหน่อยหนึ่งยมจะเข้าใจลึกซึ้งแล้วรู้สึกว่าหยุดได้เป็นดีกว่าที่เราจะไม่หยุดและมันก็ไม่จบแต่มาถึงบอกไงว่าเมื่อหยุดไม่ได้ที่สุดก็ไม่มี คิดไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีคำคำนี้มันเป็นอมาตะนะธรรมาบอกเออเอาละเราต้องผ่านมันไปให้ได้เราไม่ใช่มีวันเดียววันนี้สิบปีข้างหน้ายังรอเราอยู่แต่ถ้าเราทำอะไรวันนี้สิบปีข้างหน้าอาจจะไม่มีก็ได้ ถ้ากับเป็นการบั่นทอนตัวเองทําลายบารมีตัวเองทําลายความเจ ร, ริญของตัวเองหรือทําลายความสงบสุขของตัวเองตรมาบอกไม่คบมองไปไกลๆใครจะร้องให้วรรตธมาบอกอย่าไปสนมากผิดวังสมหวังอย่าไปเสีเรียกอย่าไปดีใจมาก มันเป็นแบบนี้อีกสามปีสี่ 5, ปีหปีหปีเจดปีสิบปีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าวันนี้โชคดีหรือโชคร้ายเป็นบุญหรือเป็นกรรมที่ส่งมาให้เราต่อมันเป็นชะตาแบบไห น, นแล้วเราบำเพ็ญชีวิตเพิ่มเติมอย่างไรตรงนี้คิดให้หนักสติตั้งให้ได้ก่อนอย่าวุ่วาม อย่าทำมันไฟตกไฟเกินวูวากไม่ไม่ไม่ไมไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าทำเป็นคนฟูฟูแฟบแบมากไปไม่ได้ตื่นเต้นมากช็อกได้นะเสียใจมากนี่แห้งได้อีกนะบอกเออมนุษย์เมื่อไรจะเข้าใจชะาตาดัมมาบอก เสดายเราไม่รู้เรื่องอดิตชาติถ้ารู้นะเรื่องราวไม่เลวร้ายเหมือนที่เรากำลังคิดตอนนี้ดีไม่ดีกับยังโทษเองว่ามันสาสบนี่ยังน้อยไปน่าจะเดินให้ก็ตบอีกสักสามรอบพูดจริงถ้ารู้นะจะมาบอก เวลาตอนรับชะตากรรมใหญ่ไม่ยอมรับทำฟุดฟัดเหมือนจะเอาอีกฝ่ายหนึ่งแม่ตมาบอกคุณยังไม่เข้าใจถ้าคุณอันเดอร์สแตนกว่านี้แล้วคุณจะ hmm. เราจะรู้สึกสงบส ง, งียมมากกว่าเดิมแล้วรู้สึกเรื่องกฎกรรมมากขึ้นต่อไปต้องหัดแผ่เมตตากันแล้ว แผ่เมตตาในที่สุดมนุษย์ล้วนมีชะตาของแต่ละคนอภัยได้อภัยให้ได้ให้และอะไรได้ก็ละสละอะไรได้ก็สละพระอยู่ที่ใจเทวนี้ใครที่แขวนพระข้างนอกและใจไม่เป็นพระถอดเถอะถอดออกนะแล้วก็สร้างพระให้เกิดข้างใน ศักดิ์สิทธิ์กว่ากันเยอะพุทโธทุกวันเสกเองเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเสกทุกวันทุกคืนตื่นมานอนอย่างพุทโธทุกคืนเลยพี่พุทโธทุกคืนไปเรอยให้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหลับไปเลยพุทโธตื่นมาสบายไม่มีศัตรู จิตไม่มีเวรมีภัยกับใครแล้วสบายมันไม่ตกตะกอนนะอารมณ์บูดหน้ามันตกตกะกอนพอนานานเข้ามันจะหมักหมมไปทำให้จิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปคนเพราะมีแต่ความชอบมองมันจะขุนนะแต่ถ้าเรามีกุศลเจริญเรื่อยเรืยรืยรืยร ย, ย, ยนะมันเบาหลายคนจิตกำลังหนักหน้าดำหนักเหมือนแบกโลกเหมือน จะเป็นจะตายยังบอกไม่ได้เลยจะอยู่ไม่อยู่คิดอะไรมันพร้อมที่จะเป็นไปได้หมดทั้งดีทั้งเลวสารพัดกําลังสับสนอยู่และจิตมันจะว้าวุ่นหนักร้อ น, อ, นอุดอัดกระสับกระส่ายทุรนทุรายเอาว่นนั่งเดินยินนอนมันไม่มีความสุขอาหารกินไปเถอะรสอร่อยเนี่ย มันไม่ออกรู้แต่ว่าเผ็ดเปรี้ยวนั่นเองแต่พอลองใจเบิกบานมีความสุขนะยมเชื่อไหมดวงจันทร์มันสวยอยู่ทุกคืนอยู่แล้วแม่ดูหนุ่มสาวเดินควงดวงจันทร์สวยไม่จ๊ะโ อ, อสวยเนาะเออมีกระต่ายด้วยออวันนี้หูยาวกว่าเดิมเนาะแต่มวันนี้เพิ่งตาถึงมึง ดอกไม้สวยไหมจ๊ะโอ้โหดูมันบานที่แท้ ม, มันเบ่งอย่างเงี้ยใจมันสวยมันก็สวยวันนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านกันดีไห ม, มร้านนี้อร่อยเนาะลองอารมณ์เสียไปนั่งกินเลยชุยไม่อร่อยหรอกใจมันกินไม่ลงแต่มาเลยใช่มาชุยมันง่ายดีไม่ต้องแปลหรไม่สกรปรกนะ ทุยล้กินนั่นแหละของเราเองมันอยู่ที่ใจเราแห้งหรือสดชื่นอิ่มเอิบหรือว่าโหยหาใจของคนทุกจะโหยหาคุณหาอะไรคุณไปหาใจคนอื่นมาเติมให้คุณบอกเข้าใจผิดแล้วคุณไม่เข้าใจแล้ว ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆคุณนึกว่าเราต้องไปขอความสุขเข้ามานะแม้ความสุขคุณยังขอก็เลยบอกโอ้ทุเล็ดมากเลยคนๆ น, นี้ไม่รู้ไม่ได้ความสุขพูดจริงๆใช้ภาษาง่ายๆวันนี้ทำไมอ่ะ ความสุขต้องไปขอโอ้ขอนั่นขอนี้ขอจนสุดขอเงินขอทองขอเพชรขอพอยขอใบขอมาขอความสุขหน่อยสิแต่ไหเขาขอความดีให้ฉันหน่อยสิชักปัญญาอ่อนแล้วล่ะโยไม่ใช่คุณต้องเป็นผู้ให้และคุณจะมีความสุขมากกว่าคาว่าขอเขาถึงบอกถ้าใจเรา กำหนดได้แต่มาบอกชีพิตคนนี้จะเปลี่ยนถึงฐานะไม่เปลี่ยนมากมายแต่ชีพิตเปลี่ยนมากมายเปลี่ยนบ้านก็น่าอยู่ขึ้นคำพูดก็ดีขึ้นการพัฒนาการตัวเองก็รู้สึกดีไปหมดมองโลกก็ดีวิสัยทัศน์ก็ดีสายตามองอะไรก็เห็นชัดขึ้นทุกอย่างเลยนะจะบอก อ, อ มิจฉากับสัมมามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะมันต่างกันเป็นภูมิชาติเลยนะฟ้าเหวนี่ยังน้อยไปนะที่เที่ยไม่ฟังนะหล อ, อในที่สุดสติจิตชีวิตกับธรรมะถามว่าคุณเข้าใจหรือยังมังคนนั่งถามอะไรทําไมมันถามว่าอะไรและทําไมแล้วจะจบะเมื่อไหร่ จะมาบอกทำไมเราเข้าใจแล้วอะไรเรารู้แล้วยมหยุดได้แล้วครับว่าทําไมทําไมต้องเป็นฉันทําไมอย่างนั้นทําไมพอพอพอพอและอะไรอย่างนั้นทําไมอ่ะพอเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวเนื่องกันมาหลาย มันนานจนบางทีเราละลึกไม่ได้มันคือเหตุผลของชะตาชีวิตตมาบอกเราคิดอย่างเนึ่ชะตาชีวิตเป็นแบบเนี่ยโยมอยากเข้าใจนะว่าเรานี่แบกโลกคนเยโฮแต่ละคนมีชะตาไปแต่ละแบบเมื่อเช้าเนี่ยลูกศิทธาม า, มา นั่งร้องให้กราบกระลองโหถ้าไม่ได้ฟังทำไม่ได้ปฏิบัติโยมก็ไม่มีที่พึ่งธรรมะบอกอย่าร้องอีกไม่กี่วันก็หัวเราะเะไายน้ําตาเก็บไว้บ้างร้องก็อย่าร้องดังอายเขามีสติหัวเราะก็อย่าดังไป เผื่อวันหน้าจะร้องให้อีกอายเขาทำอะไรเผื่อไว้บ้างดีใจวันนี้ก็ยำมากไปเผื่อไว้วันข้างหน้าอาจจะเสียใจคือเราเริ่มรู้จักชีวิตแล้วอย่าวันไว้อะไรจะเกิดขึ้นรักษาจิตไว้สิ่งเนี้มีค่าที่สุดเพราะทุกอย่างไม่ติดตามเราไปเลย แต่มาจึงบอกเข้าใจแล้วทำไมเราจรึงต้องรักษาจิตเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่สูงสุดในชีวิตมันเป็นเหตุผลที่เราจะต้องรักษารักษาจิตด้วยอะไรด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ด้วยตัวเรานะตัวเรายังใช้ไม่ได้ตัวเรายังมีโลภโกรธหลง เชื่อมันไม่ได้นะมันให้ไปฆ่าคนก็ไปนะไปนะหาวิธีเลี่ยงกฎหมายเอามันทำได้หมดแม้ฆ่าตัวเองก็ฆ่าได้เอาพอฆ่าก็เสร็จเดี๋ยวก็จัด ก, การตัวเองเสร็จทาไปทไําำมทําไปทําไมชีวิตแบบนั้นฆ่าเขาเสร็จแล้วฆ่าตัวเองได้อะไร บาปกรรมเปล่าๆไม่ฆ่าเขาเขาไม่ตายหรือไงสิบยี่สิบปีปล่อยไปเธอเดี๋ยวเขาก็มีชะตาของเขาเราก็มีชะตาของเราเราผ่านเรื่องร้ายๆมาได้เราก็เข้มแข็งขึ้นมาอีกแล้วเราก็ทําสิ่งดีๆใหม่มาเพิ่มเติมให้กับชีวิตใหม่นี่คือทางที่เราต้องเดิน ถึงบอกอยากคิดอะไรสั้นๆมองเยาวๆไปเมื่อก่อนตา ม, มาคิดสั้นจริงๆได้อขนมบางมากล่องหนึ่งนะต้องกินให้หมดตนเขาห้ามบอกเอาไว้วันข้างหน้าบ้างต้องหมดอยากกิน แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องกินอีกแล้วช่างมันยมเข้าใจแค่ไหนคำวมาขนมปงังจะ ก, กินไห้หมดอีกคนบอกเอาไว้กินวันข้างหน้าถึงบอกความคิดบางอยา่างมองไกลๆมันยังมีวันข้างหน้าแต่ความต้องการเราเราต้องการให้มันจบกันวันนี้ใช่เหตุผลอย่าใช้ตัวตน ใช้สติปัญญาอย่าใช้อารมณ์แล้วมีทางออกคือบอกในที่สุดทุกคนก็เดินทางสายเปรี่ยวแต่มาไม่ไม่ ว, าว้าวเบแต่มาเข้าใจละโดดเดียวเดียวดมองดูรอบกายทุกอย่างมาหลายแต่มานั่งกาหนดธรรมะเห็นแล้ววันนั้นมันเหมือนเรานั่งอยู่ในโลกกว้างยุมนึกดูคนเดินเบียดเสียดกันแต่เรานั่งอยู่คนเดียว ไม่มีใครมาทักะแะเลยโลกก็เป็นแบบนี้ที่สุดเราเหมือนตัวคนเดียวพุทธเจ้าบอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเห็นไหมความคิดก็ของเราการกระทําก็ของเราคาพูดก็ของเราบาปบุญกรรมเวรที่เราสร้างก็เป็นของของเราในที่สุดตนนั่นแหละต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเริ่มต้นจนจบอวสาน ใจโยมจะจบแบบไหนอยู่ที่โยมใช้สติจิตธรรมะกับชีวิตแค่ไหนแล้วก็ฝึกสมาธิไว้บ้างโลกมีแรงสั่นสะเทือนชีวิตมีสิ่งบีบคันถ้าไม่มีสมาธิตั้งมั่นไว้นะหลายคนบ้าไปแล้ว หลายคนฆ่าตัวตายไปแล้วหลายคนฆ่าคนอื่นไปแล้วหลายคนติดคุกไปแล้วหลายคนตอนนี้สำนึกอยู่กับบาปที่ทำมาแล้วก็มีมันมันโซดตตวนที่ร้อยใจตัวเองไว้และย้อนอดีตไม่ได้สิ่งใดที่ทำมาแล้วเราไปแก้คืนไม่ได้แต่มาอย่างนึกเลยโอ้โหอาหารเยอะแยะเลยอยากกินไปหมดเลย นึกย้อนไหมถ้าเป็นเด็กนะไม่เหลือหรอกกินไหมเถอะกินเท่าไหร่มันก็โตเท่านั้นมันไม่มีอ้วนใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงแล้วแมมาถวายตอนนี้ช้าไปหน่อยไมมโยมต้องระวังไขมันไตกีชารายแกล็ดสลอนสารพั เดี๋ยวก็เป็นหัวใจเดี๋ยวก็เป็นความดันถ้าเราไม่ประมาณการดันนี่ว่าประมาณประมาณมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็คุมอยู่ก็อยู่ประมาณนี้แนละ้วอ่ะก็สมควรเวลาอขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเท่น